ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวียนยะสังหะอาตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมขาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบปดจตุปัจยะภาชนิยะวินิจจยะกถา กระทวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปัจใจสีต่อก็อพิสษุผู้ถือเสนาสนะครั้นให้ถือเอาเสนาสนะแล้วพึงให้ถือเอาผ้าจำนำพรรษาเมื่อพิสูจจะให้ถือเอาถ้าจีวรปัจจัยมีสองชนิดคือเป็นของสองหนึ่งเป็นของทายกถวายด้วยศรัทธาหนึ่งในสองชนิดนั้นพิสูุทั้งหลายปรารถนาจะถือชนิดใดก่อน พึงถือเอาชนิดนั้นแล้วพึงให้ถือเอาชนิดนอกนี้ตั้งต้นแต่ลำดับแห่งชนิดแม้นั้นไปพระมหาสุมาเถระกล่าวว่าถ้าเมื่อพิสุผู้เสนาสนะคาหาประกศจะให้พิสุถือเสนาสนะด้วยจำนวนบริเวณเพราะมีพิสุน้อยบริเวณอันหนึ่งมีลาบมากพิสุผู้อยู่ได้จีวร1สิบหรือสิบสองสรับ พึงแบ่งกีวรนั้นเฉลร่ยในอาวาสอื่นๆที่ไม่มีลาบให้เิกตุทั้งหลายแม้เหล่าอื่นถือเอาก็ได้ฝ่ายพระมหาปทุมเถระกล่าวว่าไม่ควรทำอย่างนั้นอันชนทั้งหลายถวายปัจัยก็เพื่อประโยชน์แต่การบารุงอาวาสของตนเพราะฉะนั้นเิีกตุเหล่านั้นพึงเข้าไปในบริเวณที่มีลาบมากนั้น เพราะฉะนั้นการอยู่จำภรรษาในเสนาสนะเสนาสนะของใครเขาก็จะถวายปัจจัยแต่พระพิจตที่อยู่ในเสนาสนะของเขาประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อบำรุงเสนาสนะกุติวิหารก็ต้องดูแลให้ดีแต่ถ้าพระมหาเถระในบริเวณที่มีลาบมากนั้นคัดขานว่าผู้มีอายุท่านจงอยาให้พิจตทั้งหลายถือเอาอย่างนั้น ชงทําตามคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุสาดไว้สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไปว่าดูก่อนภิกตุทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อให้ภิกตุผู้เสนาสนะคาหาประกาให้ภิกตุทั้งหลายถือเสนาสนะด้วยจํานวนบริเวณภิกษุผู้เสนาสนะคาหาประกาไม่ควรงดเพราะคําคัด้า찬ของพระมหาเถระนั้นพึ่งกล่าวว่าท่านผู้เจริญ พิสษุมีมากปัจจัยมีน้อยควรจะทำความสงเคราะห์ยังท่านให้ยินยอมแล้วพึงให้พิกษุทั้งหลายถือเอาทีเดียวก็คือควรจะแบ่งชีวอนได้ก็ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณนะั้นแล้วก็แบ่งชีวรที่ถึงแก่พิกษุทั้งหลายก็แล้ิกษุผู้ได้สมมุติแล้วเมื่อจะให้ถือเอาพึงไปหาพระมหาเทระแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเสนาสนะถึงแก่ท่านท่านจงถือเอาปัจจัยเถิด ท่านกล่าวว่าผู้มีอายุปัจจัยของสกุลโนนและเสนาสนะโนนถึงแก่เราหรือพึ่งกล่าวว่าถึงขอรับท่านจงถือเอาเสนาสนั้นท่านกล่าวว่าผู้มีอายุเราถือเอาละอย่างนี้เป็นอันท่านถือเอาเสนาสนะแล้วก็บอกให้ถือเอาเสนาสนั้นนะที่สูผู้ถือเสนาสนะก็บอกว่าเราถือเอาละฝ่ายพระมหาสุมเทระ กล่าวว่าแต่ถ้าเมื่อพิกษุผู้เสนาสนะคาหาปะกะกล่าวว่าท่านผู้เจริญเสนาสนะอันท่านถือเอาแล้วหรือพระมหาเถระกล่าวว่าเราถ else, ือเอาแล้วหรือเมื่อพิกสุผู้เสนาสนะคาหาปะกะกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจักถือเอาหรือพระมหาเถระตอบว่าเราจักถือเอาดังนี้เสนาสนะไม่เป็นอันถือเอาอันนี้ถ้าบอกอดีตการหรือบอกอนาคตการ พระมหาสุมาเถระบอกว่ายังไม่เป็นการถือเอาฝ่ายพระมหาปทุมเถระแก้ว่าไถ่คาเป็นอดีตและอนาคตหรือไถ่คาเป็นปัจจุบันก็ตามทีอันที่จริงไถ่คาเพียงการทำให้ได้สติเพียงเป็นเครื่องทำอะไรเท่านั้นเป็นประมาณในการถือนาสนานี้เพราะเหตุนั้นเป็นอันพระมหาเถระถือเอาเนาสนแล้วแท้ท่านบอกว่าแค่ เพียงทําอะไรเท่านั้นก็เป็นการถือเอาเศนาสนะแล้วละเพราะฉะนั้นอดีตการหรืออนาคตการก็ไม่สําคัญหรอกจะถือเอาแล้วหรือว่าจักถือเอาหรือว่าถือเอาอยู่ก็เป็นอันถือเอาเศนาสนะนั้นแล้วฝ่ายพิจูพู้ถือผ้าบางสกุลใดถือเศนาสนะแล้วสละปัจจัยเสียแม้ปัจจัยที่พิจุนั้นสละแล้วนี้ไม่พึงโอนไปในอาวาสอื่นพึงคงไว้ในอาวาสนั้นแหล จะให้พิจุอื่นซึ่งอยู่ในโรงเพลิงที่ศาลายาวหรือที่โคนไม้ในบริเวณนั้นแลถือเอาก็ควรแต่ว่าพิกพจุที่ถือผ้าบางส่วนนี้จะไปรับผ้าจำนรภาษาของญาติโยมเขาหรือว่าของสงไม่ได้ฉะานนั้นก็ต้องสละให้แก่พิกจุอื่นพิจุตที่อยู่ที่โรงเพลิงสารายาวโคนไม้พวกนี้ก็ไม่มีผ้าจำนำภาษาของญาติโยมนี้ก็ถวายก็ให้เข้าไปได้ ทิศสูผู้ถือผ้าบัตรกวนรับว่าจะอยู่แล้วจัดบำรุงเสนาสนะทิศสุดนอกนี้รับว่าจะถือเอาปัจจัยแล้วจักบำรุงเสนาสนะเสนาสนะจัดเป็นอันได้รับบำรุงเป็นอันดียิ่งด้วยเหตุสองประการด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยที่ประจำเสนาสนะหรือวจีวรประจำเสนาสนะนี้ก็มีประโยชน์ในการที่จะให้ติศตูดูแลเสนาสนะด้วยนะ แต่ในมหาป จ, จรีแก้ว่าเมื่อภิกตุผู้ถือผ้าบางสุกุลรับเสนาสนะเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ภิกษุผู้เสนาสนะคาหาปะกะพึงกล่าวว่าในเสนาสนะนี้มีปัจจัยนะักขอรับปัจจัยนั้นสมควรทำอย่างไรที่สุผู้ถือผ้าบางสกุลนั้นพึงกล่าวว่าภายหลังท่านจงให้ภิกตุอื่นถือเอาเถิดแต่ถ้าเธออยู่แต่ไม่พูดว่าอะไรเลย และชายยกทั้งหลายถวายผ้าวางไว้แทบเท้าของเธอพูดจำํำพรรษาแล้วในเสนาสนะนั้นผ้านั้นควรแก่เธอถ้าวางที่เท้านะัดก็ถือว่าเป็นผ้าบังสกุลแหละแต่ว่าเป็นบางสกุลบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวเอกโตสุทธิถ้าเอามาวางไว้แทบเท้าของพระพิสุรูปหนึ่งแล้วพระพิสุรูปนั้นเอาผ้านั้นมาวางไว้แทบเท้าของพระพิสุที่ถือผ้าบางสกุลนี้อันนี้ก็เรียกว่าเอกโตสุทธิ เราตรวจทั้งสองฝ่ายถ้าพวกทายกกล่าวว่าผมถวายผ้าจำนำพรรษาผ้านานย่อมถึงแต่ทิกตุทั้งหลายผู้จำพรรษาในเสนาสนั้นส่วนทายกเหล่าใดไม่มีเสนาสนะถวายแต่ปัจจัยอย่างเดียวสมควรให้พิกสุผู้จำพรรษาในเสนาสนะที่ไม่มีผ้าจำนำพรรษารับปัจจัยของทายกเหล่านั้นถ้าไม่มีเสนาสนะแต่ว่าถวายผ้าอย่างเดียวนะ ก็เอาไปให้กับพระพิตุที่จำพรรษาโดยที่ไม่มีปัจใจไปอยู่ในเสนาสนะที่เขาไม่มีผ้าป ร, ร, ระจํเาเสนาสนะก็ไปถวายพระสูตรนั้นได้ชนทั้งหลายสร้างสถูปแล้วให้พิตุรับผ้าจำนำพรรษาธรรมดาสถูปนั้นไม่ใช่เสนาสนะพึงโอนให้พิตุผู้จำพรรษาที่ต้นไม้หรือมวลดบที่ใกล้สถูปนั้นรับไปพิตุนั้นพึงปริบัติเจดี แม้ในต้นโพเรือนโพเรือนปฏิมาร้านไม้กวาดร้านเก็บไม้วัดจักุดีซุ้มประตูกุดีน้ำโรงน้ำและโรงไม้ชมระฟันก็มีในนี้เหมือนกันก็คือถ้ามีชีวรที่เข้ามาถวายแล้วก็ไม่มีเนศนาสนะ ไม่มีพระพิกจุเข้าไปอยู่ในเสนาสนะของท่านเพราะว่าไม่มีเสนาสนะแต่ว่าถวายปัจจัยอย่างเดียวให้โอนเอาไปกับพระพิกจุที่อยู่ในบริเวณเหล่านั้นที่ไม่มีจีวรประจระําเสนาสนะที่นั้นก็ให้โอนไปได้ส่วนหอฉันเป็นเสนาสนะแท้เพราะเหตุนั้นสมควรกําหนดให้พิกจุรูปเดียวหรือหลายรูปถือหอฉันนั้ น, นเป็นวิธีการแจกเสนาสนะ คำทั้งปวงที่ท่านกล่าวพิสดารในมหาปัญจรีกล่าวไว้ในมหาปัญจรีเป็นอนัตถาในลังากาอานพิจุผู้เสนาสนะการหาประกาศพึงให้พิจุทั้งหลายถือเสนาสนะตั้งแต่อรณุณแห่งวันตามฏิบทไปจนถึงเพียงที่อรณุณใหม่ยังไม่ขึ้นเพื่อถือวันหนึ่งเลยให้ถือเสนาสนะเนีนะแจกกันทั้งวันเพราะว่าอาจจะมีพิจุตมากมีเป็นร้อยๆหลายร้อยอย่างเนี้ย ตั้งแต่วันลาซา ร, รหัปูชาเป็นต้นไปอรุณขึ้นก็าเรียกว่าวันปาฏิบด์วันปาฏิบด์ก็คือวันเข้าบรรษานั่นเอให้แจกเสนาสนะกันจึงอยู่ความกําหนดการนี้เป็นเขตแห่งการถือเสนาสนะก็คือ น, นี่เป็นการถือในวัตถุปัญิกาวการเข้าบารรษานส่วนฤดูหนาวฤดูร้อนนั่นเป็น การถือในฤดูกาลหากว่าเมื่อให้ภิกษุทั้งหลายถือเศนาสนะแต่เช้าภิกษุอื่นผู้มีใจลังเลมาขอเศนาสนะภิกษุผู้เศนาสนะขาหาปะกะจึงบอกว่าท่านผู้เจริญเศนาสนะถือกันเสร็จแล้วสงเข้าบรรษาแล้ววัดนี้เป็นที่น่ารื่นรมบรรดาที่ต่างๆมีโคนไม้เป็นต้นท่านปรารถนาจะอยู่ในที่ใดจองอยู่ในที่นั้นเถิดแต่ว่า เวลาอารุณนี้ก็ต้องไปอยู่ในที่มุงบังที่มีประตูปิดเปิดได้ถ้าอยู่โคนไม้นั่นก็ต้องทำกุฏิทำอะไรขึ้นมามีประตูปิดเปิดได้เพราะว่าถ้าไม่อยู่ในเสนาสนะที่มีประตูปิดเปิดได้ก็มียบัตดอันหนึ่งในวันเข้าบันศาลหลังเมื่อประกาศเวลาส่งประชุมกันแล้วถ้าเคยใครนำผ้ายาวสิบซอกมาถวายเป็นผ้าจำำาาํานันราษาหากว่าภิกษุอาคันตุกะเป็นสังฆเถระพึงถวายแก่ท่าน หากเป็นนวกรรมที่สุผู้ได้สมมุติพึงเรียนพระสังฆเถระว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านต้องการท่านจงสละส่วนที่หนึ่งเสียถือเอาผ้านี้ไม่พึงให้แก่ท่านผู้ไม่ยอมสละก็ถ้าว่าท่านยอมสละส่วนที่ให้ถือเอาก่อนแล้วถือเอาไซาพึงให้พึงสับเปลี่ยนกันจำเดินแต่พระเถระที่สองไปจนอุบายนี้แล แล้วให้แก่อากันตุกะในฐานะที่ถึงตามลำดับภ ร, รษาแต่ถ้าว่าที่สุดทั้งหลายผู้เข้าบรรษากรก็คือเข้ารรษาหลังได้ผ้าสองผืนสามผืนหรือว่าสี่ผืนหรือว่าห้าผืนพึงให้เธอยอมสลับผ้าที่ได้ไปแล้วได้ต่แล้วโดยอุบายนั้นแหลก็คือเข้ารรสากร น, นั้นได้ผ้าแต่ว่าจะมีผ้ามาใหม่เนียนะ เขาเอามาถวายที่หลังก็ต้องให้สระดาษผ้าที่ได้ก่อนนั้นแล้วก็ถือเอาผ้าหลังจึงให้พิษุอาคันตุ ก, กะจนกว่าจะเท่ากันก็แล้วเมื่อพิกษุอาคันตุ ก, กะนั้นได้ส่วนเท่ากันแล้วส่วนย่อยที่ยังเหลือพึงแถมให้ในที่เถราอาตสมควรจะทากติกาพึงให้แจกันตามลาดับว่าเมื่อลาบเกิดขึ้นก็ให้แจกันอย่างนี้นะ ถ้าเป็นสมัยที่มีภิกษุฝืดเครืองภิก ษ, ษุทั้งหลายผู้เข้าพรรษาในวันวันสุปนานิกาทั้งสองคือเข้าพรรษาต้นเข้าพรรษาหลังลำบากด้วยภิก ษ, ษุจึงพูดกันว่าผู้มีอายุก็พกเราอยู่ในที่นี้ย่อมลำบากด้วยกันทั้งหมดดีละเราแบ่งกันเป็นสองส่วนที่แห่งญาติและคนปภาวณาของภิก ษ, ษุเหล่าใดมีอยู่ภิก ษ, ษุเหล่านั้นจงอยู่ในที่แห่งญาติและคนปภาวณานั้นแล้ว จงมาภารณาแล้วถือเอาผ้าจำนำภาษาที่ถึงแก่ตนในพิกุเหล่านั้นภิกษุลด า, า ย, ยู่ในที่แห่งญาติและคนภารณานั้นแล้วมาเพื่อปภารนาพึงทำอปโลกนกรรมให้ผ้าจำนำภาษาแก่พิกษุเหล่านั้นจึงอยู่พิกษุเหล่านั้นแม้ยินดีอยู่ก็หาได้เป็นเจ้าของผ้าจำนำภาษาไม่ฝ่ายทั่วพิกษุผู้เจ้าถิน่นแม้บ่นอยู่ว่า จะไม่ให้ย่อมไม่ได้เหมือนกันก็ต้องแบบนะถ้าเกิดเขายากมาแพงลำบากด้วยภิกษาก็จะไปอยู่ในที่แห่งคนที่เป็นญาติหรือว่าปรณนาแล้วก็มาปรณนากันในวัน6กันษาก็ได้แล้วก็ค่อยมารับผ้าจำนำบัญชาแต่ในกุรุนทีแก้ว่าภิกษุทั้งหลายจะพึงทำกติกาวัดกันว่าหากว่ายาคูและพัดในที่นี้จะไม่เพียงพอแก่พวกเราทั่วการไซ ท่านทั้งหลายจงอยู่ในที่แห่งทิุผู้ชอบพอกันแล้วจงมาจักได้ผ้าจํานำภาษาที่ถึงแก่พวกท่านในกุฏิทีก็แนะนําอย่างนี้ถ้าทิุรูปหนึ่งค้านกติกาวัดนั้นไสเป็นอันคัดค้านชอบถ้าไม่คัดค้านกติกาเป็นอันทมชอบคือจะค้านก็ได้ไม่ค้านก็ได้ถ้าค้านก็สมควรถ้าไม่ค้านก็ต้องปฏิพฤติตาม ภายหลังต้องอัปโลกให้แก่ที่สูเหล่านั้นผู้อยู่ในที่แห่งญาติและคนโตนานนั้นมาแล้วในเวลาอัปโลกไม่ได้เพื่อจกขัดขานแต่ขัดขันก็ต้องขัดขานก่อนท่านกล่าวอีกว่าก็ถ้าว่าเมื่อผ้าจำนำราษาไม่ถึงแก่ที่สูบางพวกในบรรดาที่สูผู้จำรรษาที่สูทั้งหลายพึงทํากติกากันว่าสงยินดีจะให้ผ้าจำนำราษาแก่ที่สูผู้ขาดภรษา และผ้าจำนำภาษาซึ่งเกิดขึ้นในบัดนี้แก่พิกษุเหล่านี้ก็คือผู้ที่ขัดรังสรรค์เขไม่ได้ผ้าก็อาผ้าเหล่านั้นมาให้กับพิกษุรูปกินไม่ได้นี้เมื่อได้ตั้งกติกาวไว้อย่างนี้แล้วผ้าจำนรำภาษาย่อมเป็นเหมือนได้ให้พวกเธอเือเอาแล้วเหมือนกันทั้งต้องให้ผ้าที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแก่พวกเธอด้วยแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าภิกจุ จับตั้งน้ำฉันปัดกวาดทางไปวิหารลานเจดีและลานโพ ร, รถน้ำที่ต้นโพตลอดไตรมาสแล้วหลีกไปเตี้ยก็ดีลาติขาก็ดีคงได้ผ้าจำนำภาษาเหมือนกันเพราะผ้าจำนำภาสานั้นอันที่จูดน้ำได้แล้วดุดทําให้เป็นข้าจ้างส่วนผ้าจำนำภาษาที่เป็นของสงฆ์ซึ่งทําอัปโลกน ก, กรรมแล้วแจกกันแม้ที่จูลาติขาภายในบราษาย่อมได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ผ้าที่ให้ถือเอาด้วยอำนาจปัจจัยถ้าว่าพิษุผู้จำนาราสาเสร็จแล้วเตรียมจะไปสูทิศได้ถือเอากับพิยพันธ์แต่บางสิ่งจากมือของพิจุผู้อยู่ในอาวาสแล้วสั่งว่าผ้าจำนามาสาในสกุลโน้นถึงแก่เราท่านจงถือเอาผ้าจำนามาสานั้นดังนี้แล้วลาสิกขาบทเสียในที่ซึ่งตนไปแล้วผ้าจำนามาสาย่อมเป็นของสง แต่ถ้าทิศูนั้นให้พวกชาวบ้านรับรองต่อหน้าแล้วจึงไปทิศูผู้อยู่ในอาวาสย่อมได้นี่ก็สั่งเสียว่าให้ผ้านั้นแก่ทิศูรูปใดรูปหนึ่งไปแต่นั้นเกิดตายก่อนนั้นผ้าตกเป็นของสงฆ์ถ้าไม่ตายบอกกับกระถัดให้รับรองต่อหน้าตัวเองไปแล้วผ้าหนึ่งก็ตกเป็นของทิศุที่โอนให้เขาไปแล้ะเมื่อทายกสั่งไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายผ้าจำนรมาานี้แก่ทิศูผู้จำราสาแล้วในเสนาสนะ ของพวกข้าพเจ้าเสนาสนะนั้นอันเสนาสนะคาหาประกาศให้พิจุใดถือเอาย่อมเป็นของพิจุนั้นแหลก็ท้าว่าบุตรและธิดาเป็นต้นของเจ้าของเสนาสนะนำผ้าเป็นอันมากมากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้ในเสนาสนะของพวกข้าพเจ้าดังนี้เพื่อต้องการจะให้เป็นที่พอใจของเจ้าของเสนาสนะสำหรับพิจุผู้จำพรรษาในเสนาสนะนั้นพึงให้ผืนเดียวเท่านั้น ผ้าที่เหลือเป็นของสงควรยดต้องแบ่งปันให้พักติ๊กตัวอื่นแล้วก็โอนให้เข้าเป็นของสงไปทัป้งส่วนที่อยู่ในเสนาสนา น, นั้นก็รับไปคนเดียวก็พอพึงให้ติ๊กตุทั้งหลายถือตามลำดับผ้าจำนำรรษาเมื่อลำดับไม่มีพึงให้ถือเอาตั้งแต่เถิดระอาดลงมาแม้ในผ้าจำนำรรษาที่ทายกนำผ้าจำนวนมากมาด้วยจิตเรื่มใส ซึ่งอาศัยพิสุผู้จำภรษาในเสนาสนะนั้นแหละเกิดขึ้นแล้วถวายว่าข้าพเจ้าถวายแก่เสนาสนะดังนี้ก็มีในนี้เหมือนกันก็ทว่าทายกวางไว้แค่เท้าแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่พิสุนั้นผ้าทั้งหมดย่อมเป็นของพิสุนั้นเท่านั้นถ้าถวายเสนาสนะนี้ต้องถึงส่งทั้งหมดถ้าถวายเยอะถวายผ้าผืนเดียวก็ถึงกับพิสุรูปเดียวนั่นแหละ ที่อยู่ในเซนาสนะนั้นแต่ถ้าถวายมากที่สุดที่อยู่ในเซนาสนะนั้นก็ควรจะรับผืนเดียวก็พอแล้วก็ที่เหลือก็ถวายตรงไปในเรือนของทายกคนหนึ่งมีผ้าจํานำภาษาสองผืนส่วนที่หนึ่งเป็นของที่ให้สามเณรถือเอาแล้วส่วนที่สองต้องให้ในเถีรอาจทายกนั้นส่งผ้าสาดศิษยอบผืนหนึ่งแหนสอผืนหนึ่งมาว่า ท่านจงถวาย้าพจำนามาสาที่ถึงแล้วแก่พิสูจทั้งหลายพึงเลือกให้ส่วนดีแก่สามเณรแล้วให้ส่วนรองในเถระอาอแต่ถ้าเขานําไปเรือนทั้งสองรูปให้ฉันแล้ววางไว้แทบเท้าเองทีเดียวพื้นใดเขาถวายแล้วแก่รูปใดพื้นนั้นแลย่อมเป็นของรูปนั้นต่อจากนี้ไปเป็นในที่มาแล้วในมหาปัญจรี พาจนนามัสสาในเรือนแห่งทายกคนหนึ่งถึงแก่สามเณรหนุ่มถ้าเขาถามว่าพาจนนามัสสาของข้าพเจ้าถึงแก่ใครอย่าบอกว่าถึงแก่สามเณรพึงบอกว่าท่านจะทราบในเวลาถวายแล้วในวันถวายพึงส่งเพื่อมหาเถระรูปหนึ่งไปให้นำเอามาถ้าว่าพาจนนามัสสาถึงแก่ผู้ใดผู้นั้นลาสิกขาเสียหรือมรณภาพเสียไซ หาชาวบ้านก็ถามว่าผ้าจำนำภาษาของพวกข้าเจ้าถึงแก่ใครพึงบอกแก่เขาตามเป็นจริงก็คือบอกว่ามรณภาพปไปชนะพิจูดที่ได้รับผ้านั้นนะนะถ้าว่าเขากล่าวว่าข้าเจ้าถวายแก่ท่านผ้านั้นย่อมถึงแก่พิจูดนั้นถ้าเขาถวายแก่สง์หรือแก่คณะย่อมถึงแก่สง์หรือแก่คณะถ้าว่าพิจูดทั้งหลายผู้จำภาษาเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลล้วนทั้งนั้น ผ้าจำำํานําำภาษาที่เขานํามาถวายแล้วพึงทําให้เป็นเสนาสนะบริขารเก็บไว้ก็คือให้เป็นของประจําเสนาสนะไปเป็นตัวรวมไปใครมาอยู่ในเสนาสนะนี้ก็ใช้ได้หรือพึงทําให้เป็นหมอนเป็นต้นชนิดแหล่ถ้าเกิดการที่อยู่จำนำภาษานี้ที่นั้นก็ถือผ้าบางส่วนทั้งหมดเลยก็ไม่รับผ้าของโยงมแล้วให้เป็นของกลางของเสนาสนะหรือว่าปลอกหมอนไป กถาว่าด้วยการถือเสนาสนะด้วยสามารถแห่งวันเข้าบรรษาในภายในบรรษามีเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปพึ่งทราบการถือเอาเสนาสนะชื่อว่าอันตรามุตตะก็คือผลจากในระหว่างผลจากทั้งสองนี้แหละในรดูการแม้อื่นอีกดังต่อไปนี้ จึงอยู่การถือเศนาสนะมีสามอย่างด้วยสามารถแห่งวันคือวันเข้าบรรษาต้นวันเข้าบรรษาหลังแล้วก็การถือเศนาสนะที่เป็นอันตารามุตตะตรงนี้มีสามด้วยน้าแห่งวันถือวันเข้าบรรษาต้นวันเข้าบรรษาหลังแล้วก็ถือเศนาสนะที่เป็นอันตรามุตตะผลจากในระหว่างนี้สมาธีแรกท่านก็มีการให้ถือเอาเสนาสนะสองอย่างก็คือเป็น การถือเศนาสนะในฤดูการกับถือเสนาสนะในวันเข้าพรรษ า, าแต่ม่าในที่นี้แจกเป็นสามและสูสิเด๋ยวจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างสมจริงดังพระ ด, ดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเลยว่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายการถือเสนาสะนะมีสามอย่างเหล่านี้คือการถือในวันปุริมะพรรษาในพรรษาต้นการถือในวันปัจฉิมมะพรรษาบรรษาหลัง แล้วก็การถือเสนาสะนะที่พ้นจากการนั้นเรียกว่าอันตรามุตกระการให้ถือเสนาสะนะเมื่อวันเข้าปุริมะพรรษาพึงให้ถือในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอาสาตระหะก็คือพ้นจากวันอาสารหะบูชามาวันหนึ่งการให้ถือเอาในวันเข้าปัชชิมะพรรษาภาษาหลังพึงให้ถือเมื่อเดือนอาสารหะล่วงแล้วหนึ่งเดือน การให้ถือในระหว่างพ้นจากนั้นพึงให้ถือในวันต่อจากวันปรบาราคือวันแรมหนึ่งค่ำเพื่ออยู่จำภาษาต่อไปก็ได้นะนะให้ถือล่วงหน้าแปดเดือนตั้งแต่วันปรนาไปให้ถือล่วงหน้าได้แปดเดือนกันดังนี้บรรดาการถือเศนาสนาสามอย่างนั้นการถือสองอย่างนี้เป็นการถือยั่งยืนคือถือในวันเข้ารษาแรกหนึ่งถือในวันเข้ารษาหลังหนึ่ง การถือเสนาสนะที่เป็นอันตรามุตตะพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วเพื่อการรักษาเสนาสนะก็คืออยู่ก็เพื่อจะรักษาเสนาสนะนั่นเองจริงอย่างนั้นในวิหารหนึ่งมีเสนาสนะซึ่งมีลาบมากเจ้าของเสนาสนะบำุงภิกษุผู้จําบรรษาด้วยปัจจัยทั้งปวงโดยเอื้อเฟือ้อถวายสมณบริขารมากในเวลาปวารณาแล้วจับไปพระมหาเทระทั้งหลายมาแต่ไกล ในวันเข้าบรรษาถือเสนาสนานั้นอยู่สำราญครั้นจำบรรษาแล้วรับลาบหลีกไปเสียผู้พิสุผู้เจ้าวัดผู้เป็นเจ้าถิ่นเจ้าของวัดไม่เหลียวแลเสนาสนานั้นแม้ชมรุตุสโสมอยู่ด้วยคิดว่าพวกเราไม่ได้ลาบที่เกิดในเสนาสนานี้พระมหาเทระผู้อาคาันตุกะแลได้เป็นนิษพวกท่านนั้นแลจากมาบารุงเสนาส น, านั้น เพื่อให้บำรุงเสนาสนะนั้นพระผู้มีกระภาเจ้าจึงตรัสว่าพึงให้ถือเสนาสนะเป็นอันตรามุตตะเพื่ออยู่จำปะสาต่อไปในวันมหาปารณาถือข้ามไปตั้งแปดเดือนพิสุผู้ให้ถือเสนาสนะ น, นั้นพึงบอกพระสังฆเถระว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ถือเสนาสนะเป็นอันตรามุตตะเถิดถ้าท่านรับพึงให้ถ้าไม่รับ พึงให้แต่ทิฏุ์ผู้จะรับตั้งแต่พระอนุเทระเป็นต้นไปก็ไปไหนไม่ได้ต้องดูแลเสนาสนานี้โดยที่สุดแม้สามเณรด้วยอุบายนี้แหลฝ่ายผู้รับนั้นพึงบำรุงเสนาส น, านั้นแต่เดือนบรรดาหลังคาฝาและพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งชำรุดหรือพังไปควรซ่อมแซมทั้งหมดแม้จะให้กลางวันสิ้นไปด้วยอุเทศและป ร, ะริพุชาเป็นต้น กลางคืนจึงอยู่ในเสนาสนะนั้นก็ได้กลางคืนจะอยู่ในบริเวณกลางวันแม้ให้สิ้นไปด้วยอยู่ในเสนาสนะนั้นก็ได้แม้จะอยู่ในเสนาสนั้นเองทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ไม่ควรห่วงห้ามทิปสดผู้แก่กว่าซึ่งมาในฤดูกาลแต่เมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้วถ้าพระสังฆเถระกล่าวว่าเธอจงให้เสนาสนี้แก่ฉันเช่นนี้ย่อมไม่ได้เพราะว่าถือเอาแล้วะ รัสามาตั้งแปดเดือนก็ไม่ให้ย้ายไม่ได้พิสุผู้เสนาสนะคาหาประกะไม่พึงให้ต้องชี้แจงว่าท่านผูเน้เจริญเสนาสนะนี้พิสุรูปหนึ่งถือเอาเป็นอันตรามุตตะได้บำรุงมาแปดเดือนแล้วเสนาสนะนั้นต้องให้พิสุผู้บำรุงมาแปดเดือนนั่นแหละจับจองได้ส่วนในเสนาสนะใดพวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสองครั้ง เสนาสนนานไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตตะทุกคราวที่ล่วงหเดือนหรือว่าในเสนาสนะใดพวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสามครั้งเสนาสนนานไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตตะทุกคราวที่ล่วงสี่เดือนหรือในเสนาสนะใดพวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสี่ครั้งเสนาสนนานก็ไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตตะทุกคราวที่ล่วงสามเดือน เพราะว่าเสนาสนานั้นจักได้บำรุงด้วยปัจจัยแท้ส่วนในเสนาสนะใดผู้เจ้าของถวายปัจจัยมากมายเพียงปีละหนึ่งครั้งเสนาสนะนั้นควรให้ถือเป็นอันตรามุตตะได้เพราะฉะนั้นข้ามีปัจจัยประจําให้ถือเอาสําหรับบุคคลที่ต้องการที่จะถือนะแต่ถ้ามีปัจจัยครั้งเดียวปีครั้งเดียวนี้ให้ถือเป็นอันตรามุตตะให้รักษาได้แต่เดือนเลย แต่ถ้ามีปัจจัยดีแล้วหลายๆครั้งบรรพูรูปไหนมาก็ให้ท่านช่วยรักษาเสนาสนะก็ให้รับปัจจัยนไปแหละก็มีพระบาลีว่าดูการพิสุด์ทั้งหลายเราอนุญาตให้นวกรรมวิหารที่ยังไม่ได้ทำหรือที่ทำค้างไว้เฉพาะวิหารเล็กให้ตรวจดูงานแล้วให้นวกรรมห้าถึงหกปีเรือนมุงแถบเดียวให้ตรวจดูงานแล้วให้นวกรรมเจ็ดถึงแปดปี วิหารใหญ่หรือประสาทให้ตรวจดูงานแล้วให้นวักกรรมสิบถึงสิบสองปีเพราะฉะนั้นพิจุพึงสรวจประกาศให้เสนาสนะที่ยังไม่ได้ทําหรือทําค้างไว้แก่พิจุรูปหนึ่งด้วยการอัปโลกหรือด้วยกรรมวาจาเพื่อให้เธอกระทํานวักกรรมแล้วอยู่ด้วยสามารถเห็นการกาหนดการตามที่กล่าวแล้วนวักกรรมพิการพริจุได้ที่อยู่นั้นในการฝน ไม่ได้เพื่อจะห้ามหวงในอุตุการก็คือในฤ ด, ดูร้อนเนี่นะข้อพิสูจผู้ได้นวกรรมแล้วไม่ควรถือเอามีดกวานและเสียมเป็นต้นทํานวกรรมเองนวกรรมนี้ก็หมายถึงเป็นคนคอยดูแลเรื่องของก่อสร้างต่างๆไม่ควรไปทําเองหรอกเพราะว่าตัวเองก็จะต้องมีกิจในการเรียนอุทเทศปริปุจชาหรือว่าเจริญกรรมฐานพึงรู้กิจที่ควรทําและไม่ควรทําถ้าที่อยู่นั้นชารดพึงบอกแต่เจ้าของอาวา่าหรือ แกใครๆผู้เกิดในวงของเขาว่าที่อยู่ของพวกท่านสุดโซมท่านจงช่วยซ่อมแซมที่อยู่นั้นถ้าว่าเขาไม่สามารถที่สุดทั้งหลายพึงชักชวนญาติหรืออุปทาช่วยซ่อมแซมถ้าแม้ญาติและอุปทาเหล่านั้นก็ไม่สามารถพึงซ่อมแซมด้วยปัจจัยของสงฆ์แม้เมื่อปัจจัยของสงฆ์นั้นไม่มีก็พึงจำนายอาวาสหลังหนึ่งเสียซ่อมแซมอาวาสที่เหลือไว้ แม้จำหน่ายอาวาาเป็นอันมากเสียซ้อมแ่มอาวาาหลังหนึ่งไว้ก็ควรเหมือนกันเพราะเพื่อจะรักษาศาสนะเอาไว้ให้กันตุที่มาจากจะุรัสทิศได้อยู่แล้วก็บาเพ็ญเพียรเจริญกรรมฐานเพื่อความเจริญงอกางามในพระพทธศาสนาในคราวทุบพิกบภัยคือตอนที่ข้าวยากมาแพงเมื่อพิจูดทั้งหลายพากันหลีกไปเสียอาวาาทั้งปวงจกทุตโสม เพราะฉะนั้นพึงจำหน่ายอาวา่าเสียหลังหนึ่งสองหลังหรือสามหลังแล้วบริโภคยาคูพัดและชีวรเป็นต้นจากอาว่าที่จำหน่ายเสียนั้นรักษาอาว่าที่ยังเหลือไว้เถิดก็ให้ขายจำหน่ายได้แต่ว่าต้องด้วยตามธรรมบัญญัติเขาไมูกไปขายเองไม่ได้ไปจำหน่ายเองไม่ได้ก็ต้องให้วยวชัชกรหรือกับพิญาตารกเป็นผู้จัดการแล้วก็นำปัจจัยที่จะทำเหล่านั้นมาเป็นค่ายาคูค่าพัดหรือว่าชีวรก็ได้ ส่วนในกุรุนทีท่านกล่าวว่าเมื่อปัจจัยของสงฆ์ไม่มีพึงสามพิสูตรูปหนึ่งว่าท่านจงถือเอาที่พอเตียงอันหนึ่งสําหรับท่านซ่อมแตนเถิดหากว่าพิสูุน์นานต้องการมากกว่านั้นพึงให้ส่วนที่สามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ให้ซ่อมแตมเถิดหากว่าเธอไม่ปรารถนาด้วยเห็นว่าในที่อยู่นี้เหลือแต่เพียงเสาเท่านั้นงานที่จะต้องทํามีมากพึงบอกให้เธอซ่อมแซนว่า ท่านจงซ่อมแซมให้เป็นส่วนตัวของท่านเท่นั้นเถิดเพราะว่าถ้าซ่อมแล้วก็ให้เป็นของเธอเลยเพราะว่าแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จักยังมีที่เก็บของสงด้วยจักมีสถานเป็นที่อยู่ของพิสูจนใหม่ทั้งหลายด้วยก็แลอาว่าอาภิสุทธ์ทั้งหลายซ่อมแซมแล้วอย่างนั้นย่อมเป็นของส่วนตัวบุคคลในเมื่อพิสูจนนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อพิสูจน์นั้นบรรณภาพแล้วย่อมตกเป็นของสงแท้ ถ้าว่าที่ตุนานเป็นผู้ประสงค์จะให้เป็นที่อยู่แก่สัตธิวิหาริกทั้งหลายทรงพึงตรวจดูการงานและพึงยกส่วนที่สามหรือเกิหนหึให้เธอซ่อมแซมเป็นส่วนตัวจึงอยู่ดังประการดังกล่าวมานี้เธอย่อมได้เพื่อให้ส่วนนั้นแก่สาธิวิหาริกทั้งหลายก็เมื่อผู้ต้อมแซมอย่างนั้นไม่มีพึงให้ต้อมแซมตามในที่ว่าพึงจําหน่ายอาวัตหลังหนึ่งเสียดังนี้เป็นต้นถ้าไม่มีพิจุตผู้ทับในการที่จะ เป็นนวัตกรรมนิกะซ่อมแซมอาวาสต่างๆให้จำนายอาวาสหรือว่าเสนาสนะหลังหนึ่งหรือว่าสองหลังก็ตามเพื่อจะมาซ่อมแซมให้เหลืออยู่ให้อาวาสนั้นเหลืออยู่งคงทนํำแม้นี้ทำอื่นด้วยท่านกล่าวไว้ในโกดุณทีนั้นแลที่สุ่สองรูปถือเอาพื้นที่ของสงแท่งถางแล้วสร้างเสนาสนะเป็นของสง พื้นที่นั้นภิกษุนได้จองก่อนพิกษุกนั้นเป็นเจ้าของแม้เธอทั้งสองรูปสร้างเป็นส่วนตัวบุคคลภิกษุผู้จองก่อนนั่นแหลก็เป็นเจ้าของพิกสูพุจองพื้นที่ก่อนนั้นสร้างเป็นของสง์อีกรูปหนึ่งสร้างเป็นส่วนตัวบุคคลหากว่าที่สร้างเสนาสคณะอื่นๆยังมีมากแม้เธอสร้างเป็นส่วนตัวบุคคลก็ไม่ควรห้ามแต่เมื่อที่อันเหมาะเช่นนั้นแห่งอื่นไม่มี อันทพิสุผู้สร้างเป็นของสงนั่นแลพึงห้ามเธอเสร็จแล้วสร้างเถิดก็เครื่องใช้มีทรรทัสัมภาระเป็นต้นที่จะต้องใช้ใสยหมดไปในสถานที่เป็นที่สร้างอาวาสของสงนั้นของพิสุนั้นสงพึงยอมให้แก่เธออนหนึ่งถ้าว่าในอาวาสที่สร้างแล้วก็ดีในสถานที่จะสร้างอาวาสก็ดีมีต้นไม้ที่อาศัยร่มได้และมีผลพึงอัปโลหให้โคนเสียเถิด ต้องเอาปโลกด้วยนะหากต้นไม้เหล่านั้นเป็นของบุคคลพึงบอกแก่เจ้าของหากเจ้าของไม่ยอมให้พึงบอกเพียงครั้งที่สามแล้วให้ค้อนเสียเพราะว่าพื้นที่เป็นที่ของสงต้นไม้เป็นของบุคคลก็ตามถ้าบอกแล้วไม่ยอมค้อนบอกสามครั้งแล้วโ้อนเสียด้วยยอมรับว่าพวกเราจับให้หมูลค่าราคาต้นไม้ก็ต้องเสียค่ามูลค่าให้เขาบ้างฝ่ายี่สูตรไ ด, ดไม่ถือเอาเครื่องใช้แม้มาดว่าถาวันของสง ให้สร้างที่อยู่เป็นส่วนตัวในพื้นที่ของสง้้ด้เครื่องอุปกรณ์ที่ตนหามาเป็นของสงกึ่งหนึ่งเป็นของบุคคลกึ่งหนึ่งเพราะว่าพื้นที่เป็นของสงนะหากเป็นปราสาทปราสาทชั้นล่างเป็นของสงชั้นบนเป็นของบุคคลถ้าพิสูตรใดต้องการปราสาทชั้นล่างปราสาทชั้นล่างย่อมเป็นของพิสูตนัน้นถ้าเธอต้องการทั้งชั้นล่างทั้งชั้นบนย่อมได้ชั้นละกึ่งหนึ่งทั้งสองชั้น พิสูจน์ให้สร้างเสนาสนะสองแห่งเป็นของสงแห่งหนึ่งเป็นของบุคคลแห่งหนึ่งถ้าว่าพิสูจสร้างด้วยทัพ ป, ปสัมภาระเป็นของสงซึ่งเกิดขึ้นในวัดเธอย่อมได้ส่วนที่สามถ้าใช้ของของสงไปสร้างก็ได้ส่วนที่สามไปถ้าว่าพิสูจน์ทการก่อต่อขึ้นใหม่ในที่ซึ่งไม่ได้ทําไว้ก็ดีต่อหน้ามุขขึ้นภายนอกฝาก็ดีกึ่งหนึ่งเป็นของสงกึ่งหนึ่งเป็นของเธอ ถ้าว่าสถานที่ใหญ่ไม่เสมอเป็นที่ซึ่งพิกษุภูนให้เสมอแสดงทางเดินในที่ซึ่งมิใช่ทางสงไม่เป็นใหญ่ในที่นั้นถ้าว่าพิกษุถือเอาทัพพระสัมภาระทั้งหลายมีกรอนเป็นต้นจากวิหารของสงประกอบในสังธิกาวาดอื่นที่ประกอบแล้วก็เป็นอันประกอบด้วยดีแต่พิกษุผู้ประกอบในอาวาส่วนตัวต้องให้ราคาคือให้หมูลค่า หรือต้องเอากลับคืนไว้ตามเดิมพิสุมีทยจิตถือเอาเตียงนาต่ังเป็นต้นตามที่อยู่ถูกละทิ้งพระวินัยทรนพึงปรับด้วยราคาพันดะในขณะที่ยกขึ้นทีทเดียวเมื่อพิสุถือเอาใช้สอยเป็นสังฆิกะ บ, บริโภคด้วยตั้งใจว่าจะคืนให้ในเวลาที่พิสุเจ้าถิ่นมาอีกเสียหายไปก็เป็นกานเสียหายไปด้วยดีคือไม่ต้องใช้คืนถ้าตั้งใจในการที่จะบริโภคแบบของสง เก่าไปก็เป็นอันเก่าไปด้วยดีถ้าไม่เสียหายพึงคืนไว้ตามเดิมเมื่อพิจูตใช้สอยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเสียหายไปก็ดีชารุดไปก็ดีเป็นสินใช้ถ้าพระสัมภรมารมีประตูและหน้าต่างเป็นต้นที่พิตุถือเอาจากที่อยู่ที่ถูกละทิ้นนั้นไปประกอบใช้ในสังทิกาวาสหรือในอาวาสส่วนตัวต้องคืนให้แท้ถ้าวิหารของสงฆ์บางแห่งสุดโซมไป เสนาสนะมีเตียงและตังเป็นต้นอันใดในวิหารนั้นพิกจูนำเสนาสนะนั้นไปที่อื่นเพื่อประโยชน์ก่การคุ้มครองก็ควรเพราะเหตุนั้นเมื่อพิกจุนำไปในที่อื่นแล้วใช้สอยเป็นสัมทิกระปริโภคคือใช้แบบของสง์เสนาสนะนั้นเสียหายไปก็เป็นอันเสียหายไปด้วยดีเก่าวปก็เป็นอันเก่าวไปด้วยดีถ้าเสนาสนะนั้นยังไม่เสียหายพึงเก็บนําไว้ตามเดิมอีก ในเมื่อได้ปฏิสังขรณที่อยู่นั้นเสร็จแล้วเมื่อพิจูตใช้สอยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเสนาสนาน้นเสียหายไปก็ดีกล่าวไปก็ดีเป็นสินใช้เมื่อที่อยู่นั้นได้ปฏิสังขรณเสร็จแล้วต้องใช้ให้ทีเดียวกถาว่าด้วยการถือเอาเสนาสนะก็จบเท่านี้แลต่อไปก็เป็นการแจกปัจจัยสี่อย่างอื่นก็ในการแจกปัจจัยสี่นี้ พึงทราบระถาว่าด้วยปัจจัยสี่ที่เป็นสาธารณดังต่อไปนี้ที่สุเจ้าหน้าที่ที่สงสมมติให้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยพึงให้เข็มสองเล่มคือยาวเล่มหนึ่งสั้นเล่มหนึ่งแก่ที่สุผู้ทาจีวรกรรมซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านจงให้เข็มดังนี้ไม่มีกิจที่จะต้องถามเพราะเกิดความรังเกียจว่าพันตะของสงไม่ควรแจก พึงให้มีดเล็กเล่มหนึ่งแก่พิสูพผู้มีความต้องการด้วยมีดเล็กพึงให้รองเท้าคู่หนึ่งแก่พิสูพผู้ประสงค์จะเดินทางกันดานพึงให้ประคตเอวแก่พิกษุผู้มีความต้องการประคตเอวพึงให้อังสะแก่พิกษุผู้มาขอว่าอังสะของข้าพเจ้าเก่าแล้วพึงให้ผ้ากรองน้ำแก่พิสูพผู้มีความต้องการด้วยผ้ากรองน้ำพึงให้กระบอกกรองน้ำแก่พิสูพผู้มีความต้องการกระบอกกรองน้ำ ถ้าไม่มีผ้าพึงให้กระบอกกรองพร้อมทั้งผ้าเมื่อพิษุขออยู่ว่าข้าพเจ้าจะเพิ่มแผ่นผ้าดามพึงให้ให้พอแก่กุสิและอัดผ้ากุศลเมื่อพิษุมาบอกว่าผ้ามันทนไม่พอพึงให้ผ้ามนนันตนผืนหนึ่งพึงให้ผ้าอัดผ้ามันทนสองผืนเมื่อเธอขอผ้ามันทนสองผืนไม่พึงให้สองผืนให้ผ้าที่พอแก่จีวรผืนหนึ่ง แจ่ทิจุผู้มีความต้องการด้วยผ้าอนุว瓦ตวงเพสัตได้ประมาณทนานหนึ่งฝึงให้ส่วนที่สามจากธนานหนึ่งนั้นแก่ทิจุผู้อาพาซึ่งมีความต้องการเพสัตมีเนยใสและเนยข้นเป็นต้นครั้นให้สามวันอย่างนั้นครบทนานหนึ่งแล้วตั้งแต่วันที่สี่สไปต้องเรียนสง์แล้วจึงให้อันนี้คือสุวิแจกของเล็กน้อยถ้าแจกมากเกินไปก็ต้องบอกสงเรียนสงให้ทราบ แต่ถ้าเกิดเอาแต่ของเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องอำนาจของปรรสุผู้แจกของเล็กน้อยก็มีอยู่ในน้ำอ้อยงบเล่าเพิ่งให้ส่วนที่สามในวันหนึ่งเมื่อเต็มงบโดยครบสามวันอย่างนั้นแล้วต่อแต่นั้นไปต้องเรียนสงแล้วจึงให้ที่ตู่เจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่แจกยาคูเป็นต้นที่สงสมมติตั้งไว้ไม่ต้องถามสงก่อนก็ได้ ให้ชนทั้งหลายผู้มาสู่สถานที่แจกคนละกึ่งส่วนแต่ว่าภิกตุที่ไม่ได้รับสมมุติต้องอัปโลกให้ของสงฆ์อันภิกตุซึ่งสงสมมุติหรือชนทั้งหลายมีอาตมิกะเป็นต้นซึ่งสงสั่งไว้กําลังถวายและอาหารมีข้าวสุกเป็นต้นเป็นของพวกเคระห์หัดอันเจ้าของเรือนหรือชนอื่นซึ่งเจ้าของวานกําลังถวาย เมื่อพิกษุกล่าวอ้างบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่ว่าถ้าจงให้ส่วนแกพิกจุอีกรูปหนึ่งแล้วถือเอาเป็นพันดะไทยถ้าอ้างตัวุคนนั้นนะ่ะให้ผมมารับเอาไปแทนแต่ว่าไม่มีตัวบุคคลนั้นอยู่หรอกอ น, นี้เป็นพันธะไทยเมื่อพิกษุถือเอาอาหารมีข้าวูกเป็นต้นที่ชนอื่นกําลังถวายพึงให้ปรับตามราคาสินของเลยถ้าไปถือเอาด้วยไตรยจิตนะ เมื่ออาหารมีข้าวสุกเป็นต้นอันดิสุซึ่งส่งไม่ได้สมมติหรือคนที่เจ้าของมีได้วานถวายอยู่เที่ยสุเมื่อกล่าวว่าท่านจงให้อีกส่วนหนึ่งแล้วถือเอากรดีนับภาษาโกงก็ดีนับภาษาโกงถือเอากรดีพึงให้ปรับตามราคาสิ่งของในขณะที่ยกส่วนนั้นขึ้นทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเป็นของที่เจ้าของเขาให้เขาให้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเป็นของสงอันพิสูจุซึ่งสงสมุติหรือชนทั้งหลายมีอาตามิกลาเป็นต้นซึ่งสงสั่งไว้กําลังถวายและอาหารนี้ก็สูงเป็นต้นเป็นของพวกกระหักอันเจ้าของเรือนหรือชนอื่นซึ่งเจ้าของวานกําลังถวายถ้าเป็นขอที่กําลังถวายพิสูจอ้างเอาบุคคลที่ไม่มีตัวตนใบว่าให้กับพิสูจนรูปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีหรอกถ้าถือเอาอย่างนี้เป็นพันธุไทย เมื่ออาหารมีข้าวสุกเป็นต้นอันพิจตุซึ่งสงมิได้ส ม, มุติหรือคนที่เจ้าของมิได้วานถวายอยู่พิสูจเมาาื่อกล่าวว่าท่านจงให้อีกตัวหนึง่งแล้วคือเอากระดีนับภาษาโกงกระดีนี้ให้ปรับตามราคาสินคขอในขณะยกขึ้นเลยนะดอาหารมีว้าวสุกเป็นต้นที่เหล่าชนนอกนี้ถวายอยู่เมื่อพิสูจถือเอาด้วยอาการอย่างนั้นเป็นพันธะไทยถ้ากําลังถวายอยู่นี่เป็นพันธะไทยก็ถืถอเอาไป ส่วนสิ่งของของกระาษที่เจ้าของเขาวานไว้ว่าท่านจงถวายแต่พิจุนี้ก็ดีเจ้าของเขาถวายเองก็ดีก็เป็นอันถวายดีแล้วชะนี้แหละอธิการว่าด้วยวัตถุมีข้าวสุกเป็นต้นนี้มีสาระจากคำวิจัยในอธตกาถาทั้งปวงเพียงเท่านี้ส่วนแห่งข้าวสุก ข, ของพิจุผู้เข้าไปดินทบาพิษุรูปที่ยังอยู่ภายในอุปจารศีมาเท่านั้นรับเอาก็ควร แต่ถ้าพวกทายกพเดียงว่าพวกท่านรับเอาเถิดขอรับแม้แต่พวกพิสุผู้อยู่ภายนอกอุปจาระพิสุทั้งหลายมาแล้วจากฉันด้วยคำพเดียงอย่างนี้แม้พวกพิสุผู้อยู่ภายในบ้านจะรับเอาก็ควรพิสุผู้มีปัญญาพึงตรวจดูบาลีและอัจกริยให้ดีแล้วพึงเป็นผู้ไม่ประมาทแจกปัจจัยของสงด้วยประการดังว่ามานี้ การวินิจฉัยเรื่องการแจกปัจจัยสี่ในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังฆะก็จบแล้วเรื่องการแจกปัจจัยสีนี้ก็ละเอียดมากแล้วก็ยาวมากด้วยท่านก็รวบรวมมาให้ซึ่งก็มาจากหลายๆที่ในมหาขนาันธกะชุรคันธกะชุระวัฒมหาวัฒก็รวบรวมมาทั้งในเรื่องหัวชีววเรื่องหัวบินตบารเรื่อ ง, องเสนาสนะมันก็ความยาวมากเังนันบางครั้งก็อาจจะกําหนดจะจำไม่ ไม่ไหวแต่ถ้าดูหลายรอบฟังหลายรอบก็อาจจะทําให้จดจําได้พอจะได้ปฏิบัติถูกในของสงฆ์เพราะว่าของสงฆ์นั้นถ้ายังไม่มีการแจกก็ยังเป็นของสงฆ์อยู่แล้วก็บางอย่างว่าแจกไม่ได้เช่นพวกครุพานิแจกไม่ได้ถ้าแจกนี้เป็นอบัติถุระใจของนั้นไปอยู่กับใครยังเป็นของสงฆ์อยู่บุคคลนั้นถ้ารู้แล้วก็ต้องเอามาคืนไม่เช่นนั้นต้จะมีโทษขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความละอายต่บ อ, อ, อบาปเอื้อเฟื้อตอบพระธรรมวินยัย แล้ก็ศึกษาทรงจำคำสอนของสมมาสัมปุทกเจ้าเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทําให้ศาสนาภายในตนนั้นจำเริญขึ้นให้ทําให้ศาสนาภายนอกจำเริญรุ่งเรืองก็สืบต่อคําสอนของพระเจ้าไปในโลกตลอดกาลนานเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคอยสนทนาเป็นผู้ที่มีส่วนในความพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระสมมาสัมปชิกเจ้าและพระสาวกทั้งหลายโดยทั่วกัน สาธุสาธุสาธุ